แต่ว่าจะจะให้พบเห็นจริงๆคือไปปฏิบัติจเจริญสติยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมจะได้เห็นอะไรต่างๆที่มันจะออกมาต่อหน้าต่อ ต, อตาเราทางกายก็มีทางใจก็มีนอกจากกายนอกจากจิตใจก็มีภายนอกภายในเรามีสติเป็นดวงตาคอยดู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 มนตอนวัดอาธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นโลกคือความชลานำเข้าไม่ยั่งยืนมันก็เห็นเป็นใจรักเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนต่วนันเกิดต่อหน้าต่อตาเราอยู่ทุกขณะจากผู้ปฏิบัติ โลกไม่มีใครป้องกันได้ไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่มีใครเป็นใหญ่ได้เป้ ใ, ใหญ่ก็ใหญ่เดือดเถือนๆถ้ถใหญ่จริงๆไม่มีไม่มีใครป้องกันได้ความเจ็บใครได้ป่วยความแก่ความชร า, มชาไม่มีใครเป็นเจ้าของย่อมละทิ้งในสิ่งทั้งปวงไป จะอยู่ฐานะแบบไหนก็ตามต้องเดินเคียงบ่ากันไปในที่สุดพระราชาก็ถอดมองกุฎประดับเพชรวางลงชาวนาขอทานก็วางกะลามาผ้าวางขาดวางไถลงไปด้วยกันสมวยกันโลกของก็คือเป็นทาตุของความอยากไม่รู้จักอิมอำหรัะโลกไม่รู้จัดอิม เป็นธาตุของกิเลสตัณหาแล้วก็เบื่อพอเราเห็นที่มันเกิดขึ้นจากเราเกิดแก้วเกิดติเราเห็นมันแล้วเราก็พัฒนาชีวิตของเราไปเรื่อยๆฐานะของเราก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆเพื่ อ, อเทียบเคียงกับโลกที่มันกําลังเป็นไป แต่ก่อนเรามีอาถนะไม่เหมาะสมลองรับโลกไม่ได้วันนี้เรามีฐานะที่เหมาะสมรับรองโลกได้ยังไเรามีฐานะการปฏิบัติเรามีฐานะความเป็นอยู่แต่ก่อนเราก็เป็นคราวาทครึ่งบาปครึ่งบุญใช่ไหมครึ่งบาปครึ่งบุญฆาวาสเป็นเพศคราวาท ครึ่งบาปครึ่งบุญทำบาปโดยไม่รู้สึกตัวเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนคนอื่นโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็มีสิ่งที่จะต้องจำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นมันเกี่ยวข้องกับหลายหลายอย่างต้องใชนี่อันโน้นใช้นี่อันนี้สิ่งที่เราไม่ควรที่จะแย่งก็เกิดการแย่งกันขึ้นมะเห็นชาวบ้านเข้าไปเก็บเห็ด เราก็ไปเจ็บเห็ปกเขาแทนที่เขาจะได้เราก็ไปแข่งกับเขาชาวบ้านเขาไปหาโกหาปลาขึ้นรถขึ้นเรืไปทํามาหาจินอ้าเราก็ไปกับเขาเขา ข, าข้าเขาขายอะไรเราก็ไปกับเขาก็เลยเรียนกันแล้วไม่รวยสุดตัวแล้ยว่าเพศฆราวาสเป็นเพศที่ครึ่งบาปครึ่งบุญ จำเป็นต้องทำอย่างนั้นเออแล้วก็เลือกได้มาเป็นเพืนักบวชอ้ามันก็ไม่ค่อยครึ่งบาปครึ่งบุญเท่าไหร่เอาโสโสเก่งโสตายโสจนยอมจนถือบาตรอาบินทบาทถือผ้าบางสะกณโยกคนไม้ฉันอย่ารองด้วยน้าโมดเน่าเอาโสโสเก่ง าวางลงเราก็เลื่อนฐานะเป็นอฐานะเป็นฐานะไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องทําเหมือนคนคนอื่นวางอย่างและเราก็มีระเบียบไปไหนเราก็มีระเบียบไปไหนคอยอเป็นหลักทําให้เราพึ่งเป็นตเป็นหลักมีวันโพลุกมี ศาสตาของเราที่ทรงบัญญย่างตว้องเราก็เอาเข้าไปอยู่นำมาใช้นี้ก็คือวิเศษนัยยะที่นำไปนำไปสู่ความวิเศษได้ทำมาวินยัยเรียบง่ายไปเรียบง่ายไปไม่จำเป็นแต่ก่อนก็จำเป็นเป็นบัตเหนี่พอเข้ามาอยู่ใน เพศไปคิดเพศนักบวชมาอยู่ในธรรมะยู่ไงเก็ไม่จำเป็นจะเลีอกงง่ายวกเก่าจะดัวอเก่าให้การทำความดีไม่มีใครมาแบ่งนะไปคนเดียวไม่มีพระลงพลังอะไระพระลงพลังก็ไม่บาดมีบวนเหมือนนกบินไปอาฆราวัดมันบินไปยังไม่ได้ไม่ลูกไ ม, ม่มีอะไรอะไรต่า ง, างๆเยอะ เห็ดน th ักบวชก็เป็นนกบินไปวานเราก็บินไปนน่นชนบริบบินกลับมาโดยรถคนตุ่มบินไปเห็นว่าเออไปเห็นเขาก็โอ้น่ะดีพอไปถึงเขาก็นุ่งเขาห่มเขามาปฏิบัติมาสายตรงไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไร ไม่ต้องมีพิธีกรรมไปทำบุญไปสวดตอนชนนี่ไม่นี้มาปฏิบัตินุ่งขาวถือขาวเพียบธรรมัจย็นสแสดงธรรมเอินจงกรมทำสมาธิเข้าถึงเข้าถึงตัวบุญเข้าถึงการละบาปเข้าถึงตัวพุทธเข้าถึงตัวธรรมะเข้าถึงตัวสังฆ า, าเป็นการละก็ละ ถ้าเป็นการสร้างก็สร้างทันทีไม่ ว, ว่าสายตรงมันต้องมีพิธีสีตองอะไรทุกคนก็ตั้งใจมาปฏิบัติสถานที่โอ้ดีมากในโลก่าจจะว่าแล้วนะก็รสร้างร้อยล้านเป็นสถานที่ปฏิบัติทำเป็นร้อยล้านนะ นั่งแสดงธรรมบนริมฝั่งทะเลลมพัดเย็นช่วยช่วยเดินจงกมตอนเช้าๆอยู่ริมชายหาดมีที่เดินมีที่นั่งสบายสะดวกในการภาวนาเราก็อยู่ตรงนี้อากาศบนหลังเขา พอไม่แค่อากาศบนชายหาดทะเลแต่ว่าชายหาดทะเลมันก็เหนียวเหนียวนะแม้นวายเย็นมันก็เย็ยนแบบเหนียวเหนียวอากาศบนหลังเขาไม่เหนียวเกลื้ยงเกลาลืกเลื่อนดิไม่เหนียวแ้วเราก็พอเมืที่อยู่อาศัยแม้นว่าไม่ได้สร้างเป็นร้อยล้านแต่เราก็พอเป็นที่อาศัย ปฏิบัติธรรมเห <c oughs> มือนลุยที่โคนบ้างไม่เป็นไรเป็นสูงขึ้นต่าําบ้างไม่เป็นไรแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมไม่เราจะอยู่ที่ไหนสร้างมาแบบไหนก็ตามคือเจเริญสติเจเริญสติมันเลื่อนเลื่อนฐานะจริงๆจากความหลงเป็นความไม่หลงได้ทันที ความโง่หลงงมงยไม่โง่หลงงมงายไม่คิดทิศนึกนึกวาดวโนภาพเข้าถึงเนึอถึงตัวอเป็นบุญก็สัมผัสกับบุญใจมันดีกูเก่าฉลาดกูเก่าเป็นกุศลมนเรคนเราพบลราพรมกับสมัยก่อนสมัยที่ยังไม่ได้พบกหลงพระเทียนโอ้คนหัวลุกโง่ก็โง่หลงก็หลง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 ก็ไม่ใช่ที่ไหนมันก็คืออยู่ในกายในใจเราเนี่ยแหละตอนก็อยู่บ้านน้องแกอยู่กับครอบครัวกับลูกกับเมียกับเพื่อนบ้านกับความสุขกับความทุกข์กับความโกรความโกรธความหลงโดยไม่รู้สึกตัวอยู่กับความโง่หลงงมงายโดยไม่รู้สึกตัวพอมาเลื่นหูเลื่นตามาดูตัวเองโอ้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 เกิดความทุกข์อะไรที่ไม่ใช่สติหลายคนทํางานทําการการทํางานมันก็เกิดปัญหาธรรมดาเกิดความเหนื่อยความยากความลําบากใช่พลังหลายหายอย่างเพื่อให้งานสาเร็จวันทีก็โยกงกัดเหลือโยงกัดบานทีก็เงไไยไหลไส้ย่อยบางทีก็ร้อนก็หนาววันทีก็เหน็ดเหนื่อยวันทีก็ทุกข์ การทงานเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเรามุ่งในการทำงานจเกี่ยจะมีผลงานถ้าทำลงไปอะไรมัมาจาไม่ใช่งานก็เราทำให้เราเลิกลางานไปงานเราก็ไม่สาเร็จการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันในความผิดในความถูกมีความสุขมีความทุกข์ในความหลง ที่ไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างเช่นเราสร้างสติมันเอาความหลงมาแทนเราสร้างสติมันเราคมยากมาแทนมันเราสร้างสติมันเราควาทุกข์มาแทนอะไรต่างๆมาทับมาถมไม่ให้เราทํางานแล้วก็เป็นอย่างนั้นพอเราจะทําหน้าพอที่จะได้เม็ข้าววใส่ยื่นใส่ฉางมันผ่านอะไรมา ผ่านความยากลําบากรานแล่นร้อนผ่านหนาวผ่านอันตรายมาที่ก็เหลือบจ้วงลิ้น ไ, ล<ฮ>ไหลงูก็มีสัตว์ลไล่ก็มีอยู่ในน่างยู่บนบกเจ็บปวดก็มีหนามเท่นเท่าทิ่มตีนมป๋าเห็ดขาหักไปก็มีเกีเเ่ยวกับอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเรื่องหนักเรื่องเบาคาดไถโอ้ยมันจะของหนัก หาปลาหาข้าวขอที่จะได้ข้าวมาเหมือนกับลูกคำเม็ดข้าวทุกเม็ดที่นาสี่สิบห้าสิบไร่นี่แต่ลอยเราเหยียบทุกตะลงงังนื่งลาข้าวทุกลาเราได้จับเราได้ทำทุกอันเป็นหมื่นหมื่นล้านล่านเม็ดข้าวทุกเม็ดผ่านมือเราทั้งหมดผ่านนั่นเราจึงได้ข้าวมานะ ทำอะไรก็เหมือนกันเราจะพูดเรื่องยากเลยเราทําอะไรไม่ได้หรอกการปฏิบัติทำอะไรก็เหมือนกันผ่านทุกข์ผ่านยากผ่านความลาบากอะไรอย่างตอนที่จะพ้นทุกข์ก็เห็นทุกข์ตอนจะพ้นสุข ก, ก็เห็นสุข ก่อนจะพ่นบุญก็เห็นบุญก่อนจะพ่นบาปก็เห็นบาปก่อนจะพ่นความหลงก็เห็นความหลงก่อนจะพ่นอยู่ความโกรธก็เห็นความโกรธมันมาให้เราเห็นอะไรความหลงผมหลงมาแบบแสดงความเป็นนิดเราก็ไหมแทรกซึมเข้ามา เหมือนพระพุเจ้าของเราปฏิบัติธรรมมานมาเสนอกิเลสมานขันธามานมัจจุมานเทวบุตรต ม, มานเทวบุตรต ม, มานี่มาในฐานะเป็นมิตรนะโน้นประสาทสามระดูศีรถ ะ, ะเอ๋ยประสาทสามระดูมันนั่งอยู่นี่ทุกข์ทไมา ย, ยงลิ้นไหลเหลือบยยง ฝนตกก็เปียกแดดออกก็ร้อนไม่ได้อันตรายแล้วดูฝนอยู่หลังหนึ่งแล้วดูร้อนอยู่หลังหนึ่งแล้วดูหนาวอยู่หลังหนึ่งสาวสนมกำนันในสวยสวยไม่มีบุรุ่เจียบปนชั่คนเดียวเต็มวลาหน้ารัก็ระราชทรัพย์สินเสดึงคานยังผมดกผมดำยังนมพระเจ้าจักรพรรดิยัง รออยู่เสนอเข้ามาทำไมวางสัมมาสัมโพธิญาณทำไมมั่นคงไปแล้วแล้วก็ได้จริงๆเราไปแล้วได้อยู่ได้ประชาทสามฤดูสาวสนมก็แหวกล้อมทรัพย์สินสะดงคานกน็ต้องการอะไรก็ได้แต่พระองค์มุ่งสัมมาสัมโพธิญาณ อันยิ่งย่างอันสิ่งเหล่านั้นมันเป็นส่วนตัวสมโมสมัมมาสัมโพธิญาณในมันเป็นส่วนรวมมุ่มุ่ยลดละปฏิบัติธรรมโดยความต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างะนะารนั่นนะไม่ใช่อ่อนแอนะการปฏิบัติธรรมแนละ้ว จนพอสมควรเราสู้กับอะไรสู้กับอะไรดอกมาไดรไโลุกสู้ลุกตกปืนกับอะไรเสียเลือดเสียเนื้ออะไรดอกสู้กับตัวเราดิแหละสู้กับความคิดความหลงความโกรธเลต์ตัณหาที่มันเกิดอยู่กับเราเนี่ยความเห็นแก่ตัวความโง่หลงลงมงายนิสัยจฉลตนิสัยอย่างไรมันจะแสดงมันจะดึงเรา ลาคะจริตต้องก็จะดึงเราไปโทสะจริตต้องก็จะดึงเราไปโมหะจริตต้องก็จะดึงเราไปอ่าเราก็สู้์กับตัวเรานี่แหละดึงหน้าดึงลังอยู่เนี่ยมันเปื่อนอะไรมาสิบ ป, ปียี่สิบ ป, ปีมยังมาดึงเราอยู่มไม่ไปไปสูวโลกกับอะไรเราดูมันก็เห็นถึงเหล่านี่แหละ ชนะตนนี่แหละไม่ใช่ไปนชนะคนอื่นดอกอัตตาหาเลยคิดตังเสรยอยู่ชนะตนนั่นแหละประเสริฐชนะตนเราเป็นชนะอันยอดเยี่ยมชนะคนอื่นลอยคว้องพันหนไม่ประเสริฐไม่จริงปฏิบัติธรรมให้มันมีคิดตังนี้คิดตังเม อ, อ๋อ คิดตังมือตัวนี้คืชนะตนชนละลรวโวยชนะลรวโวยคนลรวโวยคนเราโวยเลยคิดตังมือเพราะฉะนั้นเราจึงใส่ใจมั่น ค, คงคงเส้นคงวาในการปฏิบัติธรรมในการกระทำ ตั้งไว้บนการกระทาตั้งไว้บนฐานมีการกระทาฐานไม่หามาตั้งไว้มีสติไป ต, ตั้งอยู่บนฐานกายการยืยนเดินนั่งนอนสร้างจังหวะตั้งไว้ตรงนั้นมันหลุดไปก็เอามาตั้งไว้เหมือนเดิมนี่คือการนำของเรา มันหลุดไปแล้วไม่มาตั้งไรเหมือนเดิมไม่ไม่ได้ทํางนานทําก็ฟรีพ อ, อนั่งสร้างเจ้าว่ารูปไปแล้วไปอยู่กับปลูกกับร้านกับหวานกับช่องอยู่กับความลากักความชังอยู่กับความผิดความถูกไปไม่ได้ตั้งมาไม่ได้ตั้งมันก็ไม่มั่นเหมือนเราปลูกข้าวมันหลุดออกไปเราปลูกข้าวในต้นนา แต่มันไม่น้ําขังน้ำมันก็ดูดต้นข้าวขึ้นมาลอยน้ำอยู่ตอนไหนที่มันลอยอยู่มันก็ไม่งอกใน่น้ำเหลืองมันจะจะตายเราต้องเอาไปปักกลงในดินมันจะจึงจะออกลากจะเขียวถอดอกิ่งถอดยอดขึ้นมาใหม่สีเขียวออกสร้างลํำตัวออกดอกออกผล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 แต่ไปเอาอะไรไปคิดหามโดดหนีจากความหลงก็โดดหนีจากความรู้ก็ไมันปกติอยู่แล้วยังไปหาเรื่องที่จะให้ไม่เกิดปกติเกิดขึ้นก็มีเหมือนกันมีสิมอยู่แล้วยังหาเรื่องให้ผิดสิ่งเรียกว่าหาเขาใส่หัวตัวเองอยู่ดีๆก็ไปเอาไปคิดไปแล้วปรงไปแล้วก็ชอบกระนั้นก็มี ซุก ส, สนก็ต้องตั้งไว้ตั้งไว้ี่กายเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่นี่ตั้งไว้ธิกายนี่เดินจมกรมอยู่นี่ในสตีตั้งไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่นก็ชื่นี้ก็แค่นี่แหละถ้ามันตั้งอยู่ตรงนี้มันจะอะไรมันจะเกิดขึ้นเพราะนั้นเราปลูกข้าวมันปักอยู่ในดิน เราปมามลูกมะม่วงลำใหญ่ลิ้มจี่ปักอยู่บนดินแค่นี้หรือมันไม่ใช่แค่ น, นั้นแล้วก็มีโอกาสงอกงาเราใส่ปุ๋ยลดน้ําการใส่ปุ๋ยลดน้ําคือขยันรุว้ว้บ่อยๆการปลูกต้นไม้ก็ดูแลใส่ปุ๋ยรดน้ำมันก็จเจริญไปจากตนน้นไม้ธรรมดากลายเป็นโรคมาไปลำใหญ่ลิ้นจี่ เอามากินได้ประโยชน์การสร้างสติกกอแค่นี้แหละแค่ยกมือสร้างจังหวะมีสติอยู่นี่เดินจงกรมมีสติหายใจเข้าหายใจออกมีสติเท่านี้แหละมรรคผลก็เกิดอยู่ตรงนี้แหละตรงเล็กๆน้อยๆนี่แหละแต่มันยิงย่งใหญ่ฮะมันยิงย่งใหญ่ เหมือนมเมล็ดแห่งโพธิของรู้สึกตัวจะกลายเป็นสีมเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นญาณเป็นฌานเรื่อยไปเราก็ทาหน้าที่อันนี้เวลาใดมันหลงก็กลมาให้เป็นกลับมาตั้งไว้ให้เป็นของหลงก็ไม่มากมันมาหลาพคิดหลาทาง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 มันจึงเป็นตัวปฏิบัติตัวปฏิบัติคือปฏิทำไดการงานอะไรที่คนให้เราทํามันต้องทําได้มันต้องทําไ ด, ได้เช่นเอารถไปซ่อมรถมันขาดคาเขาก็หาวิธีที่จะทําได้ทําได้ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ถ้าเป็นของที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเรา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 มีสติมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีทานมีศีลมีภาวนาแค่นี้ไปหมดเลยเราก็ต้องอเฉลียวฉลาดในการปฏิบัติธรรมมันหลงหวิธีจะลูกลูกวิธีนี้ไม่ได้ก็หาวิธีอื่นที่จะมาลูกเป็นนั่งลงมัมวนูน อ้วัตถุที่นั่งอยู่มันมง่วงซึมมันไม่ได้หรอหาวิธีอื่นลุกขึ้นมันสร้างใจว่าง่วงหาวิธีอื่นที่ไม่ต้องสร้างจว่าลุกขึ้นให้เกิดความรู้จากตัวทางอื่นเอามาทางอื่นเห็นหมอรักษาโรคคนกินข้าวไม่ได้เขาก็เอาสายยางเข้าไปสอดถึงกับเพาะนนท์เขาก็มีอันบีบเข้าไป บีบเข้าไปให้มันไหลเข้าไปในกระเพาะคํานวณโดยจนอิม่มพอนนั่งก็อิ่มได้โดยไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องเคี่ยวก็วลิงกลาหารเที่ยวกืนทางปากทำอย่างนั้ น, นก็ได้อิ่มได้โดยวิธีการต่างๆการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เอาไปนั่นแหละ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 ให้เห็นอกหเห็นใจช่วยงานช่วยการขยันมันเพี้ยนมีหลายคนไปเป็นลูกจ้างก็ได้นายจ้างเป็น เ, นเนมียก็ไมีรับจ้างทํา ง, งานแบกไม้ทํา ง, งานในโรงไม้แบกไม้เป็นรถท่องวันทั้งคืนขยันมันเพี้ยนนายจ้างเห็นโอ้คนนี้เป็นคนขยันเอามาเป็ น, นเสมียน ทำงานทําการเป็นคะียนแล้วไม่เอาไม่พอทํางานนั้นเดินได้เอามาเป็นสาเหไปเลยขยันหมั่นเพียรมังมีสีสุขได้เหมือนกันไม่ใช่เอาคำพูดอย่างเดียวต้องเอางานเอาการเพี้นเรามาปฏิบัติทำบางคนก็มีความรู้บางคนก็ไม่มีความรู้อรเอาความข ย, ยัน บางคนก็มีสมองมีปัญญาฉเฉลียวฉลาดบางคนก็ไม่มีสมองไม่มีปัญญาเอาความขยันมีทางอยู่วัดีไม่สำคัญขยันน่ากลัวทำอะไรก็สำเร็จการปฏิบัติทาการอะไรก็ตามขยันคือความเพียรไม่ต้องมีเรื่องมีแรงอะไรเป็นคนแก่เป็นคนเฒ่านี่แหละขยันโลก ไปนอนลู่ไปนั่งลู่ไปยืนลู่ไปหายใจพิษตาตืนน้ำลายลู่สึกตัวไปลู่สึกตัวไปไม่ต้องมีเรี่ยไม่แรงเดินสี่ชั่วโมงเหมือนคนหนุ่มกอได้พร ะ, ะอรหรนันต์นี่แก่ๆก็บรรลุธรรมเช่นสุภธาปริภัยโชคนี่เกตสิบแปดสิบปียังบรรลุธรรมได้ พระหนุ่มๆก็ยังไม่บรรลุธรรมก็มีเห็นเทวทัตเนี่ยเจ้าฝ้ายชายตกนรกไปเลยเทวทัตเหรียนเก่งหัดอดีจนพระเจ้าอาชาติสัตรูยอมศรัทธา เพราะคนหัวดีแต่คนที่สุดไปไม่ลอดเป็นเจ้าฟ้าชายมีปัญญาสู่สุภะปริภาโชคไม่ได้ขอทานเป็นจันทานเป็นสูตรต่ำโต้แต่ได้บรรลุธรรมมันจะไปตีราคาตัวเองโอ๊ยทำไม่ได้เหมือนเขาฉันไม่เหมือนเขา ผมไม่เหมือนท่านท่านเป็นดีอ ย, อย่างนั like i, <like> blood, ้นอย่างนี่อย่าไปคิดแบบนั้นถ้ายกสร้างจังหวะรูดจึตตัวก็ใช่ได้แล้วอ่ามีสิทธิเท่ากันความโลภความโกรธความหลงมันก็มาได้มีลัฐทิีกายสิทธิอะไรความโกรธจะได้คนหนุ่มก็มีความโลภจะได้คนหนุ่มก็มีความหลงจะได้คนหนุ่มก็มีความโลภจะได้คนแก่คนเท่า ควมโลกอยู่ในพระในสงฆ์คนในความโลกอยู่ในฆราวาสญาติโยมก็เหมื อ, รม เ, อเราก็ต้องนื่งกันเราก็ทำตรงนี้เหมือนกันในสิทธิเท่ากันตัวปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจริงเป็นเรื่องหน้าขยันเราก็ทำได้นี่นะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้เอามาเกิดจากตัวเราขอให้เราใส่ใจในความเคียรอย่าทอดถอยอย่า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 ท่านมันออกมาแต่มันปกติมันร่วนไวทำไมมันปกติแต่มันเลื่อนนอยไม่หนักแน่นเอกให้มันหนักใจให้มันหนักหนักซื่อสักหน่อยอย่ามันไหวง่ายความหลงมันเราเอาควาหนักไปใส่มันปลื้มไปง่ายเลยยินดีไปแล้วหรือยินได้ไปแล้วหรือหนักเอาไว้อย่าไปอย่าตรงนี้กัน หายใจหนึเงือกสองเงือกหนั ก, ก ท, ทันทีหาวิธีพอมันติ้วไปแล้วความลับควชัางอัแล้วเกิดวิเลยตั้งหายแล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆลูๆ่สุดตัวเพิ่มความลู่สึกตัวก็หมดคุ้นดักแน่นทันทีจิเลก็ฝ่อลงฝ่อลงหมดฆ่าทันทีรองนันเกิดอะไรกับเพ่งเล็งค่อยตาม มันก็ได้กำลังได้โอกาสแก็แสดงออกมาปลอมหลงก็แสดงได้ทุกเวทีไม่มีอะไรของกันต้องออกขวางส่อยเหมือ น, นเขาจะไปจับจองที่ดินอวกาศเขาจับจองที่นี่จาก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 มันโกรธต้องแสดงเพาะไม่โกรธตกไปมันเกิดอะไรขึ้นที่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเราเดี๋ยวนี้เราต้องการสร้างสติต้องการสร้างความรู้สึกตัวเราก็สร้างความรู้สึกตัวไปแสดงกับทุกอย่างทุกอย่างยังจะเป็นการ ท, าทํางานทําการยังจะเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการโต้ตอบทักท้วตรวจสอบอะไรที่มันไม่ เกิดความเป็นธรรมต่อเราเราต้องทําอย่างนี้นะปฏิบัติธรรมแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะเงอะไหลข ย, ย่อยอา จ, จะยืนเดินนั่ ง, น, ง, น, งนอ น, น, อ, นอยู่กันแหละอาศัยอริบ ท, ทั้งสียืนเดินนั่งนอนเรื่องของกายเรื่องของใจเขาปกติช่วยกายกายช่วยใจใจช่วยกายให้เขาได้ช่วยกันอย่าแตกแยก ไวด้วยกันกายใจสติกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นสติอยู่นั่นหัดตรงนี้เพียรตรงนี้แล้วมันเกิดความเป็นธรรมขึ้นมาที่ตรงนี้อย่าไปเรือกลองสิงอื่นภายนอกหลวงพ่อไปปฏิบัติธรรมเนี่ยที่แรกกับหลวงปู่เทียนชาวไทยมักจะคิดไปทางนอก คนนั่นดีคนนี้ไม่ดีเราชอบแบบนั่นเราไม่ชอบแบบนี้อ่ตกติมันก็มันก็มีโซนอยู่นะฝ่ายหนึ่งก็เป็นกลุ่มหนึ่งฝ่ายหนึ่งก็เป็นกลุ่มหนึ่งถ้าเดินไปทางโน้นก็ไม่คุ้นไม่เคยถ้าเดินไปทางนี้นก็เห็นคนคุ้นเคยกันบ้านเดียวกันถ้าเดินไปทางโน้นก็ก็ต้องหันไปบางีไปเห็นอ่า ความไม่ดีไม่งามก็ก็กลายเป็นความไม่ชอบพอเห็นความดีก็ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้อไปทำรองนั้นไปยินท้าบาต่อไปกับคนที่ชอบคนที่ไม่ชอบคนทไม่อยากไปก็คิดไปทำรองนั้นเอาความชอบเอาความไม่ชอบตัดสินโอ้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 ไม่ฟังเสียงอันื่นมันเสียเวลามาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมได้อยู่ได้กินอะไรก็ไม่เป็นไรไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรนะสมัยการสมัยปฏิบัติธรรมสมัยก่อนไม่ได้ตักอาหารแบบเราเนะแต่เป็นพราะว่าญาติจอมก็พระเขาฉันก่อนไม่คีเขาฉันก่อนพอเขาฉันเสร็จแล้ว เขาก็ตีละครั้งแป้งแปงแปงแป้งพวกเราเป็นคารวะก็ไปเขตีละครั้งแป้งแป้งแป้งแปงเขาก็เหลือส่วนเหลือไว้ใส่ภาชนะไว้ให้อเป็นคารวะผู้ชายก็เป็นภาหนึ่งจ้สองคนสามคนสี่คนคารวะฝ่ายผู้หญิงก็เป็นภาชนะหนึ่งวางไว้บนศาลาที่ฉัน กัพะพเขาหนีกันหมดไอคีเขาหนีกันหมดแต่มีนม่คีต น, นึ่งคอยเฝ้าดูไว้ตัวหมาตัวแมวจะไปกินพอเราเดินขึ้นไปไม่คีคนนั่นก็ลงหนีไปเราก็ไปนั่งรอคนนั่นมาคนไม้มาก็ไปนั่งรอหานอาหารด้วยกันแต่มีหลายคนก่อน อาหารบางอย่างต้องเอาน้ำเพิ่มนะพิจารณาน้ำพีกเนี่ยมันน้อยแม้ว่าล้วน้อยมันจะวิห์ดหอกน้ำนดีในงานนะในงานขวงเราทุกวันเนี่ยนะเออบอกว่าโอ้ก็ม่ผมมาใจได้ละข่วนถวนสมบูรก์ขอเาก็เขาก็แก้วกันนะเพราะนั้นเราจึงไม่ ไ ม, ไ, มาา ไ, ไม่ไม่กลัวอดกลัวย่างถ้าจะมีอะไรกินไม่ได้กินก็รออดไปหิวไปพวกไม่ได้กินอะไรอันนี้ก็เป็บางทีก็หิวกันนะหิวต้องกินน้ำบ่อยๆน ะ, ะใคเหิวไมาอี๋ยวนี้หิวเหมเราหิวว่างไหมถ้าหิวก็ไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> ก็ดื่มน้ำลงไปนำะการปฏิบัติธรรมอย่าไปกลัวอะไรนะ ใจ ด, ใจดีใจดีสู้เสือใจร่ายสู้เสือไม่ได้ใจดีเอาไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหว่างไม่เป็นไรลำบากบ้างไม่เป็นไรฝนตกเปียกบ้างไม่เป็นไรอมันก็เป็นอย่างนั้นสมยัยก่อนฝนตกก็เปียกนะเพราะที่อยู่ในลำบาก คือพาใบไปกลางเป็นหลังคาไน้อยพอพอนั่งนอนยอมยอมจะเดินสวดสระไม่ได้อาศัยนั่งอาศัยนอนฝนตกก็เปียกบ้างไม่เป็นไรแต่มภูมิใจที่หลังโอ้ความยากลํำบากเลยทําให้เราแข็งแข็งเวลาใดที่มันเกิดความยากลํำบากเราเคยสู้มาแล้ว เกิดความเข้มแข็งไม่กลัวทุกข์ไม่กลัวลำบากาคนไหนที่ไม่เคยทุกข์ไม่เคยลำบากก็อ่อนแอไปเรื่อยๆไปเราจะไปอ่อนแอความยากลำบากมันดีสู้ไปเถ อ, อะฮะอาจจะไม่ลำบากถึงพระพุทธเจ้าด้วยซ้าไปดอกพวกเรานะพระเจ้าไม่ปกติเลยปัญหาเกิดขึ้นต้องเป็นพันๆลูกจงค่อยมีสติวัดไม่วาอยู่ โอเคพเรามาปัก๊ก็ได้อยู่กติเลยอยู่ที่มงที่บังเลยในที่นอนที่มุ่งนอนเลยน่อนีอยศร้าเลยพวกเรานะยนี่คือตัวปฏิบัติธรรมสร้างอะไรทุกอย่างในตัวเราโดยพบค ว, กกวารู้สึกตัวเนะ่ยเอาเป็นฐานเอาไว้ตั้งเอาไว้เป็นประเดิมเลยลงพันกันเลยเดิมพันกันเลย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 อันอื่นไม่เกี่ยวข้องเลยนะตัวปฏิบัต okay ิต <girl> ้องเป็นอย่างนั <IA> ้นอแล้วก็สงควรใชเวลาสำหรับวันนี้กราบพระพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทธเจวาพุทธางคาวันจังอภิวาเท ตัว้าตัวพระวตาธรมโมธรรมนัมตะสุปฏิปันโนพระขวตัวสาวะสังโฆสังฆนามา